บาทะของรูปเวทนาสัญญาสังการมีอยางรู้อาทีนวะคือโทษของรูปเวทนาสัญญาสังการรู้จิตนิสสณะ lands. นิสสณะมีสองส่วนนะนิสสณะที่เป็นเหตุกับนิสสนะที่เป็นอะไรคือ น, นิสสณะที่เป็นเหต<ๆ>ุสติปัฏฐานไงสติปัฏฐาน4ี่สมปัฏฐาน4ี่ที่บาสา4่สี 4, ส่หพรหาหโพตรจงเจ็อริยมรรคยุคแปที่เป็นนิสสนะที่เป็นเหตุถ้านี่ผ่านเป็นนิสสณะที่เป็นผลไงนะต้องเข้าใจเนี้ย ข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นนิสรณะนะอย่างเงี้ยที่เรามีสติสัมปชัญญ์มีความเพียร ม, มีสัมปชัญญะมีสติกรรมจักรอภิชาและโทมนัตในโลกเสจะได้ไอตัวนี้เป็นนิสรณ ะ, ะที่เป็นเหตุมัเป็นเหตุของพระนิพพานใช่ไหมเป็นเหตุที่ทําให้เข้าถึงพระนิพพานไม่ใช่เป็นเหตุที่ทําให้นิพพานเกิดเนี่แต่เป็นทางเป็นปฏิปทาใชสติปัฏฐานเป็น เป็นมรคไหมเอกาญโนยังที่คเวมารโคนี่หมายถึงสติปัฏฐานใช่ไหมอ่าสติปัฏฐานที่เป็นส่วนของปุพพะพากนี่เลยนี่เป็นนิสสนาที่เป็นเหตุอารยมรคก็เน้นใจว่าเป็นนิสสนาที่เป็นเหตุอยู่เลยแต่ว่าพระนิพพานนั้นเป็นนิสสณาเป็นธรรมที่เป็นผลเนาะธรายังถ้าไม่รู้นิสสนาตามความเป็นจริงพ้นทุกได้ไหมเนี่ยยห็นไหมถ้าไม่เรียนสติปัฏฐานจะพ้นทุกได้ไหมล่ะอ่าเรียนแค่นิดเดียวพ้นได้ไหม ต้องรอบรู้จริงๆเนาะต้องเข้าใจนี้เราก็เริ่มรู้แนวแล้วพอเราอยากจะพ้นทุกข์ก็ศึกษาสติปัฏฐานนี่ชัดใช่ไหมนี่ครับเริ่มไม่น่าจะหนักใจเลยใช่ไหมน่าดีใจไหมเราได้ฟังเป็นอัตยาสายเนี่ยใช่ไานได้ฟังเป็นอัจยาสาย อ, ะอ่ะมีใครบ้างะจะไปขัดเกลากันให้จริงๆยังจังแล้วต้องฟังให้มันจบเนี่ยฟังให้มันเข้าใจจริงๆ ไม่ใช่ว่านั่งบอกกันหนึ่งชั่วโมงเข้าห้องกรรมฐานนี่ชิดหรือว่าจะสามารถประมวลความเข้าใจได้ชัดแม้ทําอย่างอุคติตันอยู่อย่างกระจ่างบารมีมาตั้งสองสอสงไข่หนึ่งสอสงขใช่ไหมถ้าอย่างภาษารี่บทก็บอกว่าใช่ไหมทั้งหนึ่งสอสงไขอ่ะก็บอกว่าให้ท่านอาจารย์บอกเนี้ยท่านพระสัชชิกก็บอกว่าเราเป็นผู้ใหม่ใช่ไหมท่านก็บอกบอกว่าท่านอาจารย์พยัญชนะมากหรือน้อย ไม่เป็นไรหรอกเชิญท่านอาจารย์กล่าวถือใช่ไหมการกล่าวพยัญชนะน้อยหรือมากนั้นอยู่ที่ท่านอาจารย์ส่วนการแทงตลอดร้อยในพันในหมื่นในเป็นเรื่องของข้าพเจ้าเอาที่เราโ <laughs> ยมสุวรรหงบอกแหละท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะพูดคําสองคำไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมอยู่ที่ท่านอาจารย์จัดจักระ ก, ก, กูลเนะี่ยแต่เรื่องแทงตลอด กันในหมื่นในเนี่ยมันเป็นกิจหน้าที่คุณโยพยัญชนะมากจะมีประโยชน์อะไรอ๋อสิแต่เนี่ยคือท่านขยายพยัญชนะได้อย่างท่านบ้านน น, นันหนึ่งพยัญชนะท่านขยายได้หกหมืนบทแั่นเราอะภาษาริบดไม่ต้องพูดถึงถ้าเราใช้คํำว่าอัสาธ้าของเวทนาเชื่อาาขยายได้สักหมื่นบทเ อ, อ้สักสิบบทไม่ได้เลยเมื่อไปไม่เป็นเลยไหมอาชีนะวะของเวทนาต้อขยายก็ค่าบท นี่เราขยายได้แล้วใช่ไหม42บทแล้วถ้าจด้จาเรื่อขยายได้บ้างใช่ไหมตรงนี้นี่แหละที่บอกนิสสระตามความเป็นจริงเนาะก็จะรอบรู้ฉะนั้นพระเจ้าอะไรพระเจ้ารู้จักอาสาธะโดยความเป็นอาสาทะรู้จักอาสาทะของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้จักอาสาทะของจักรภาษโสุตตะสาษาการนาภาษาจิวภัยภาษากายภาษาแล้วก็มนโนรู้จักอาสาธะของรูปเสียงกลิ่นรสปัจจุธรรมอารมณ์ รู้จักอสาธาของจักรวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายแยกญาณมโนญาณรู้จักอสาธาของจักขูส yes. so so mm ัม hmm. ผ mm. really? awesome. yes. ัสโซตัส okay. yes. mm ัม hmm. ผ mm ัสคานาสัม hmm. ผัสชิวหาสัมผัสกายแสัมผัสมโนสัมผัสดุเนอยู่ไหมคือพระองค์รู้หมดนี้อสสาธาดยความไม่อสสาแล้วก็รู้จักอาทีนวะในความเป็นอาทีนวะแล้วก็รู้จักนิสรณะก็คือรู้จักสติปัฏฐานธรรมปัฏฐานอิทธิบาทอทธิภาโพชฌงค์อริยมรรคเ แล้วพ ร, รพระองค์รู้ตามความจริงไงและตัดสู้ได้ตามความเปจริงพระองค์ยิ่งเหมาะสมน่ยที่บอกคนอื่นเมื่อตัดสู้แล้วสามารถที่จะออกบอกคนอื่นให้ปฏิบัติเพื่อเพื่อให้ให้เห็นคุณเห็นโทษจริงๆด้วยแล้วก็เพื่อยังให้ออกแค่สิ่งเหล่านี้ได้จริงๆด้วยแล้วถามว่ามีสมณพราหมณ์เราได้เราหนึ่งไม่รู้แบบเนี้ยนอกจากพระเจ้าเป็นต้ไม่มีเนี่ยมันเป็นบุญนักหนาเลยนะที่เราได้มีโอกาสนับถือศาสนาของครับฉะนั้นแต่เราเรียนศาสนามาฟังพระธรรมคาสอนของบุคคลผู้ตัดสู้ได้ด้วยตนเองอย่างเนี้ย แล้วจะเรียนแบบระลับระลับตื่นตื่นได้ไหมโอ้ไม่คู่ควรเลยใช่ไหมพระเจ้าสร้างบา ร, รมีแบบรลับรตื่นตื่นไหมไม่เลยสร้างอย่างมุ่งมั่นนะเอาจริงเอาจังในการสร้างมานะไม่ใช่สร้างบารมีไปหลับไปไม่นีเลยพระองค์ทําจริงจริงยังยังมาใชไหมกว่าจะได้อริยมรรคกว่าจะบรรลุกว่าจะได้บรรลุพระนิพพานเนี่ยเพียรมาขนาดเนี้แล้วได้ทั้งตลอดพระธรรมแล้วประกาศพระธรรมที่มีค่ามากขนาดนี้โยม แล้วก็มีพระมหากราุณาธิคุณเพื่อแผ่ถึงเราเนี่ยแล้วเราได้สิ่งที่ดีอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามานั่งหลับหลบตื่นตือนเรียอเนี่ยไม่สมควรเลยใช่ไหมแล้วประกาศตนเป็นผู้นับถือท่านแล้วใช่ไหมต้องมุ่งมั่นไม่ยนมต้องตั้งศรัทธาให้แข็งแรงแล้วต้องไม่เป็นอื่นไม่ใช่แดีวเองปัจจุบันนี่มองหน้าพระเจ้าดูทำทีว่าเคารพพระเจ้าก็เคารพแบบ แบบแกล้งเนี่ยต้องเคารพแบบเข้าถึงแล้วต้องตั้งเป้าไว้ว่าหนึ่งเราจะเป็นหนึ่งในพตันตนาใจให้ได้ใช่ไหมแล้วตอนนี้มันเริ่มได้บนี้ยังเนี่ยก็ถามตัวเองว่าถ้าแค่นี้มันจะได้ไหมถ้าคิดแบบนี้มันจะได้ไหยจะเป็นหนึ่งในพัฒนาใจได้ไหมจะเป็นพุทธังสารณังกระฉามนี้ทำมังสารนังกระฉามนี้สังฆั ง, างสารนังกระฉามนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในสาร ะ, ะคมเจะได้ไหมเนี่ย ยังไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเรามุ่งมั่นจริง ๆ, ดๆได้ไหมโยมเรื่นึ่งได้สักพันหนึ่งเราก็จะอยู่นั่นในสาระเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสาระเป็นสภาวะที่ตัดสรุรุอริยสัพอุณ่าชื่นใจใช่ใชไหมแทงตลอดอริยสัพแล้วเขาพากันไปหมดแล้วคนตาดีทั้งหลายอะ่ะก็เหลือแต่คนติดข้องในโลกใบนี้ทั้งนั้นเลยที่พากันมานั่งเรียนนี่อยู่เนี่ยใช่ไหมกลุ่มที่ไม่เรียนก็ไม่ต้องพูดถึงนะ อาแค่นีพวกเราคืพวกติดอยู่ในสังสารวัตรนะยังไม่สามารถออกจากสังสารวัตรได้นี่ยถ้าวิธีคิดแค่นี้ยังไม่พอใช่ไหมถ้ารอบรู้แค่นี้พ้นทุกได้พ้นพทุกกันหมดแล้วมันไม่พอจริงๆมันไม่พอมต้องวิจยัยจริงๆเวทนาตัวเดียวเพศต้องเข้าใจนี่เรียนเวทนามาจะเป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ยมีจะสรุปเวทนานี่เนีเนี่ยเหลือจุลตนาสังยาสูตรที่กล้จบแล้วพอมาก็เริ่มดีใจแล้ว ว่าชีวิตนี้ได้ได้สาธยายเวทนาจบคนนะบุหูเป็นบุญเลยอาสาทาก็คือคุณของเวทนาใช่อาทีนวะก็คือโทษของเวทนาจนนิสระณะก็คือการถ่ายถอนการออกจากเวทนาออกจากอาสาธาแล้วก็ออกจากอาทีนวะโดย คุณของเวทนาก็คืออัศรธาโทษของเวทนาก็คืออ า, า, าทอรทีนวะใชนิสสนะคือการออกออกจากออกจากคุณและโทษของเวทน า, าเหล่านั้นก็คือข้อปฏิบัตินั่นเองข้อปฏิบัติที่เห็นนี้เป็นเหตุและตัวผลคือพระนิพพานนั่นเองนิสสนะมีสองส่วนคือตัวส่วนของมะกับส่วนที่ที่เป็นเหตุคือมรรมรก็คือโพธิปัตย์ทั้งหมดคือสติปัฏฐานสีนั่นเองเป็นต้น นั่นแหละและในส่วนที่เป็นผลก็คือพระนิพพานเห็นไหมสรุปก็คืออสาธาเนี่ยตาก็มีอสาธามีคุณไหมหูจมูกเล้นกายใจมีคุณใช่ไหมนะเวทนาก็เหมือนกันเวทนาก็มีอสาธาแล้วก็มีอาทีนวะอาทีนวะก็เวทนาเนี่ยที่นี้ท่านกล่าวทั้งสี่สิบสองคุณก็กล่าวเป็นเยอะแยะหมดก็ดูดีไล่ไปดีเวทนาตั้งแต่ เวทนาในกามคุณเวทนาในรูในในเทวดาตาะชาั้นตาะชาั้นโอ้มีคุณทุกคนจนถึงในปฐมวิชันทุกเทวชาตเวทนาเหล่านั้นมีคุณเหมือนทําให้ติดข้องเท่งนั้นแหละแล้วออกอย่างมันได้ที่ไหนนั่นแหะคืออาัยท่าของเวทเพื่อเจ้าเล่นสอนนิสระนะเดินออกจากเวทนาเหล่านั้นคืออ่าะ ต่อไปก็คือในจูลตันหาสังเพยสูตรอันนี้ในมัชิมานิกายมือระบานาตเล่มที่สิบเก้าประมาณนิดเดียวเอาเริ่มตั้งแต่ข้อสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสามี่ร้อยสามสามสมัยหนึ่งนะพระพูทเมียวราเจ้ากระป บ, บืทับอยู่ที่ปราสาทแห่งมิครามาตาคือปราสาทของนางนางมหาอุบาสิกาวิสาขา คาว่ามิฆลมาตาเนี่ยบุคคลที่เป็นเป็นแม่เป็นมารดาของมิฆลเศรษฐีคืออย่างนี้เรื่องมันอย่างนี้นางวิสาขาเนี่ยไปเป็นสะ้ายของมิฆลเศรษฐีใช่ไหมทีนี้ทั้งมิฆลเศรษฐีก็ดีทั้งสามีของเธอก็ดีเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ยงไง อันนี้เป็นข้อวัดสาหรับบุคคลที่ที่จะต้องไปอยู่กับคนที่มีความมิจฉิตรู้ก็ต้องไปดูว่านางวิสาขาเธอมีข้อวัดยังไงไม่ใช่แต่เฉพาะนางวิสาขาเนะแม้แต่ลูกของอนาตาปินทิการเศรษฐีตอนไปอยู่กับสามีกับพ่อตาพ่อพ่อพ่อหัวเนี่ยนะเขาเรียกพ่อหัวอยู่ไหมพ่อสามีเนะี่ยแต่เคาว่าหัวนี่จะเป็นคำว่าอยาบไปเนาะเรีรามากไปเจอเรื่องข้อสามี พ่ออะไรนี่เนี่ยไม่รู้เอามาแล้วมันก็ถนัดเรเราก็เรียกกันไปก็นั่นแหละชัดๆที่เอามาพูดคําแรกเลยแหละ <Okay. S 1> <c oughs> นั่นหละก็คือไปอยู่แต่การไปอยู่เนี่ยเธอเป็นภาคยบุคคลเธอเป็นหนึ่งในสารนาคมท่านได้โลคุตระสารณาคมแล้วที่มัก็เป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวมีศรัทธาตั้งมั่นเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้า ในคุณงบธรรมในคุณเอือปริยสุขและคนที่เป็นพระปริยบุคคลนี่เนี่ยเป็นพระสวดาบัลหรืออัตะยาสายที่เป็นเสมอเหมือนหนึ่งเป็นพระสวดาบันเนี่ยท่าเนี่ยก็จะต้องมาประกาศให้ท่ามสงฆ์ทราบเลยนะบางท่านเนี่ยฐานะยากจนเนี่ยเขาจะไม่ให้ท่าไปบินาบาดเยอะหือเพราะเธอเนี่ยมีอะไรทําหมด เพราะมัชชริยาไม่มีแล้วฉนั้นคนเป็นบัณิยาบุคคลเนี่ยจะตัดมัชชริยาได้ถ้าเรื่องของพระัตนตรัยเนี่ยได้ทำไชีวิตให้ได้ฉะนั้นให้หมดพระจึงต้องมีความยำเกรงมากฉะนั้นถ้าพระอาริยาบุคคลมีอยู่ในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นาเนี่ย ลาบากถ้าไปเจอพระที่ไม่ค่อยรู้คําสอนอยู่แล้วใช่ไหมก็ขอใหญ่เลยเพราเธอจะไม่ปฏิเสธเลยไม่ตําหนิพระแม้แต่คาเดียวนี่อันตรายมากใครไปบอกว่าคารวะคนนั้นเป็นพระอัยยานอันตรายจริงๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปรียบเขาเขาเทียบคําสอนแป๊บเดียวเขรู้ถ้าเป็นพระอัานจริงๆเนี่ยนะอะไรให้หมดมีอะไร ทุกยามให้ได้ไม่ยะว่าจะไนตัดเนื้อของตนเองทอดให้กินได้อเอางั้นเธพูดกันด้วยหลักการในในครั้งพวโรกาสขนาดนั้นเอาที่จะพระของอะไรที่จะทําให้ให้ให้เป็นประโยชน์เข้าใจใช่ไหมจากนั้นถ้าใครเป็นคารวะาแล้วไปประกาศไปเปนวาอริออรอยเนนตรายสุดๆเดีวเกิดไปเจอคนเขาทดสอบอยู่ไม่ใช่ไปดูยิงในชาววิโสธนสูตรเขาอีกจอบเลยอะ เป็นพระก็เป็นคนประกาศก็ตัวเองอริบรรลุหรือไม่บรรลุก็พิสูจน์ขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นมาก็จะถามเลยเนะี่ยมีหลักตรวจสอบเนี่ยอันบรรลุใช่ไหมบรรลุที่ไหนขึ้นแหลมเวลาที่บรรลุขณะบรรลุคุณธรรมที่แทงตลอดแล้วตอบไม่ได้ยุ่งเพราะกล้าประกาศแล้วต้องกล้าตอบก็ด้วยนี้เชื่อไหมแล้วมีรายละเอียดเยอะมีเยอะเนี่ย น่าจหมัยหลังๆเนี่ยก็นี่แหละเขาตรวจสอบแล้วบางคนก็ชชำนาญคำสอนเนี่ตอบมีปฏิกิริยาค้ายด้วยมีอยู่วันหนึ่งท่านก็ไปส่งน้ำอยู่อีกคนหนึ่งก็ดำดำน้ำไปเอามือไปจับเท้าท่านก็นึกว่าไอ้เคเล่นท่านร้องสุดเสียงเลยก็รู้แลวไม่เคยรู้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเขามีหลักพิสูตรกันเยอะแยะหมดเลยถ้าเป็นพระหัาแม้ยัตกใจไหม คือสมมุตินะเอาเป็นสมมุนตรามายอมไปเกิดวันดีขึ้นดีขึ้นมายอมไปชื่นชมว่ามาเป็นใยะยาถ้ามาได้ยินนี่นะถ้ามาเงียบเงียบเฉยเฉยเนี่ยมาเสียเลยถ้ามาต้องเรียบยอมมาแล้วมาต้องเพิ่มตัวเองนะว่ามาไม่เป็นอย่าพูดอย่างงั้นถ้ามาโดยไปเกิดว่ายดีเหมือนกันใช่ไอามาเฉยเฉยเนี่ยเนี่ยแค่นี้ยมาถือว่ามายินดีในการชื่นชมนะเนี่ย ความเสียหายจะเกิดเจรมาเลยก็ขนาดจะเล่ า, าให้ฟังนะขนาดพระท่านได้บรรลุเนะี่ยในสมัยก่อนเพราะท่านบรรลุเกิดเสร็จใช่ไหมเทวดาต่างๆก็าาามามาหาท่านเต็มไปหมดเลยแสงสว่างก็กรุ่นประปราไปหมดเลยอีกองคนี้ก็เป็นกระซิบถามท่านว่าเออท่านบรรลุหรือเปล่าทั้งที่ท่านบรรลุนี้นะท่านก็ปฏิเสธบอกว่าท่านเห็นได้ยังไง ไอ้หินมีแสงสว่างธรรมดาแสงสว่างน่ะมันเกิดจากดวงอาทิตย์หรือประทีพก็ได้อะไรไงท่านก็ว่าแสงหรืออดวงจันทร์ก็ได้ท่านก็พูดแบบถ้าก็ไม่เชื่อนะท่าวนะท่าวท่านปรีดรีบดึงเลยบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปท่านห้ามพูดเห็นไหมห้ามพูดอย่างเงี้ยแล้อย่างคือคนที่จะรู้ว่าใครบรรลุหรือไม่บรรลุเนี่ยท่านคนนั้นจะต้องมีคุณธรรมสูงกว่า ไม่ใช่บุรุษชนที่ไปประกาศแต่ตงตั้งพระอริยะไม่ได้เพราะว่าตามธรรมดาเนี่ยบุรุษชนจะไปรู้วร า, าจิตของพระอรยะไม่ได้ไม่ได้คือจบเลยเลิกคิดเลยเพราะคุณธรรมคนละชั้นกันรู้ไม่ได้ไม่มีทีนี้กรณีคนที่จะไปชี้ว่าใครเป็นพระอริยะหรือไม่เป็นนะคนคนนั้นจะต้องอยู่เหนือกว่าถึงจะประกาศคนที่อยู่ต่ำก่อนั้นแค่นั้นเอง ถ้าเราร้นะครับวก็เรียบร้อยอย่าถ้าคุณนะั้นการเก่าคำการการพูดที่เป็นเหตุถึงการขัดแย้งกั น, น, นก็คือคือจริงๆสิ่งเหล่านี้ไม่ควรประกาศถ้าใครมีลูกศีษย์ลูกหาไปประกาศก็ต้องรีบบอกเพราะการประกาศเป็นการเป็นการทําให้ไปทําลายอาจารย์เป็นการไปทําลายครูบาอาจารย์เดี๋ยวเป็นเหตุทาให้คนเข้าใจปฏิบัติธรรของป้าลิยาขาดคลื่น แล้ไปทําลายกระทบคุณของพระริยาเข้ามานะเข้ามาเข้าไปหากราบการชินจักรของพระเจ้าเขาอีกยิ่งจบไปใหญ่เลยเนาะก็คนตาบอดไม่กลัวผีแช่นะคนไม่รู้ก็เดินมาก็จะพูดไปแบบคนไม่ก็อย่าตรงนี้มันก็จะมีนี่เป็นยุคปัจจุบันก็จะเกลื่อนก่อนในนาเพจะยิ่งมากขึ้นในยุควัตถุกรมเฟื่องฟูมากเท่าไหร่ก็จะมีแข่งขันคุณธรรมมันมากขึ้นเนาะตรงนั้นเราท่านทั้งหลายศึกษาคําสอนก็พึงระวัง มันจะมีการประกาศคุณกันมาเป็นระยะระยะเนาะตรงนั้นเราก็ต้องศึกษาคําสอนชาวพุทธต้องมีหลักถ้าชาวพุทธไม่มีหลักไม่ตั้งมั่นในคําสอนแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเทียบเคียงเนาะสูปฏิปันโนก็เป็นสูปฏิปันโนชูปฏิปันโนเป็นต้นเหล่านี้เป็นที่ที่ท่านกํากับไว้เป็นคุณธรรมของพญายาท่านเนาะคู่แห่งบุรุษสี่คู่ 4, คน้าเรียนเก่บุรุษได้แก่บุรุษเอสาพระขาวาโตสาวกสามโูนนั่นแหละสงส า, สาวกของพระเจ้าใช่ไหม คือจริงๆท่านก็กล่าวถ้าโดยพยานชนะก็ก็ได้ก็ต้องดูเจตนาเขาก็บอกแต่ว่ามันก็เขาคงจะหมายถึงว่าเป็นคนปฏิบัติดีระดับหนึ่งอย่างนะี้ก็ตามก็คือประเด็นมันอยู่ตรงว่าการจะรู้ว่าท่านผูนั้นเป็นเป็นผู้ที่มีศีลหรือไม่ก็ต้องอาศัยอยู่ด้วยกันนานๆการ ท, ที่จะรู้ว่าท่านเหล่านั้นมีปัญญาหรือไม่ก็อยู่การสนทนา น, าน บางทีเราไปบอกว่าท่านผู้นั้นมีข้อปฏิบัติดีหรือไม่ดีบางทีมันต้องอาศัยคุ้มครีในการอยู่ด้วยกันถ้าไม่อยู่ด้วยกันจะไปรู้ได้ไงโ ย, ยงไม่ได้อยู่ด้วยกันโยงจะรู้ไหมคนโยงมีสีหไม่มี ส, มมสีรู้ยากคารวะ ด, ด้วยแล้วเนี่ยรู้จักท้ายากมากที่จะไปรู้ว่าแล้วก็บางทีไม่รู้ว่าท่านคิดยังไงบางทีงที่มองหน้ากันบางทีเราก็เดาไปความคิดในขนาดนี้เป็นอย่างนี้ความคิดขนาดหนึ่งก็เป็นอีกาง เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายไม่งานธรรมชาติของจิตเป็นธรมนธรมชาติที่รวดเร็วมากผมบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่รูปแบบบางองค์นี่เราดูไม่รู้เลยดูกุแก้ก็แก่แค่นั้นเองฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าก็ดีแล้วเราศึกษาคําสอนก็เป็นข้อเปลียบเทียบเนาะทีนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนางวิสาขานางวิสาขาเนี่ยเธอเป็นคนที่มีศรัทธามากเพราะเป็นพระอิยาดดังที่ได้กล่าวว่าสงจะต้องสวดสมมุติกัน นี่ไงถ้าระดับนางวิสาขาไม่มีปัญหาเพราะเธอเป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีชนิดที่ว่าทําบุญได้ทุกวันเฉพาะดีเลี้ยงพาเระใยวันแล้วเป็นพันๆได้ทุกวันเนี่ยถ้าอย่งางเราก็จอดเลยแต่ว่าถ้าจะเลี้ยงพระแล้วค่าร้อยไม่คิดหนักเลยใช่ไหมอย่างระดับเธอเนี่ยไม่คิดหนักแล้วถ้าคนมีศรัทธาเขาก็ไม่คิดหนักแล้วถ้าเป็นอัตมาเนี่ยนะอาตมาก็ไม่คิดหนักสมมติแต่ขอให้เวลาเตรียมตัวหน่อย แต่ว่าจะเลี้ยงพระราคาร้อยละพันเนี่ยคิดว่าไม่เยอนะหนากล้าที่จะบางคนเนี่ยไม่มีอะไรสักชิ้นเลยแต่กล้ามีอยู่องค์หนึ่งนะรขาบริษัทเนี่ยเออตอนนั้นอ่ะท่านนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษสุสงฆ์พระก็ถามท่านเท่าไหร่นะเออพระมีอยู่แสนโกดมีพระเจ้าองก่อนว่าพระเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี่แหละที่เป็นพระบทิษัทเนะ่ะที่ตอนนั้นท่านตัมบุญนะ่ยเป็น ร้สึกใช้เวลาสามวันนะยอมสวรรคโอหท่านตัดสินใจเลยไหวเนี่ยคนยี่งศรัทธาคือตรงเนี้ยพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านรับเลยสามวันโอ้โหสามวันนี้ท่านไปคิดคิดคิดคิดคิดคิดไปเสร็จก็จะเตรียมใช่ไหมนี่จะหาช่างที่ไหนสร้างประลอมทําเนี่ยคิดไปคิดมาร้อนถึงเท้าตากาศไหวนะเชื่อเลย คนเนี่ยถ้าว่ามีศรัทธาจนๆจนก็ไหว<ต>ขอใมีศรัทธานี่เราเราไม่กล้าเราไม่กล้าที่จะตั้งสทินสีกันในโงแรมกันนั้นเองเนี่ยคนที่เขาบอกว่าได้อย่างนะฝากให้คิดคนให้ไม่มีจนให้เว่เหอแต่แต่อย่าให้แบบสเปสะปะให้แบบให้เป็นรู้จักให้ ใช่ไหมให้รู้จักถ้าจะให้เนี่ยต้องไปอ่านในทานนั่นนิสัง ส, สูตรบ้างไปดูในสัพุริสทานเป็นต้นบ้างไปดูในอังวุตรานิยายเป็นต้นในปัญจาการนิบาบตเป็นต้นไปศึกษาว่าทานของสัตว์บุรุษเนะี่ยก็ให้ยังไงไม่ใช่ให้แบบสเปรสปะให้ให้เป็นเราไปศึกษาเรื่องของทานในยไหมเรื่องไอ เจตนาเป็นทานยังไงอโลภาพเป็นทานยังไงวิรตีเป็นทานเออเจเ จ, เจศึกเป็นทานยังไงไปศึกษาเรื่องทานให้ดีนะถ้าคิดอยากจะให้อ ย, ใหอยากให้แบบแบบประเภทให้ตามอัธยาศัยอะ่ะคือคนชอบให้แล้วให้ไปทั่วให้มั่วๆเนี่ยให้แล้วมันไม่เป็นทานเท่าไหร่นี่นะถ้าอย่างงี้นะถ้าทําเป็นนะอย่างพระโคดทสัตว์มันจะเป็นบารมีด้วยและทําไปเถอะอมารยุทำํำเลย แต่ขอยเป็นนะมาถ้าต้องการจะจะให้ทาน น, ะนั่งล้อมวงเลยเอ๋อต่อไปเราจะเดินทานในะบทบรมีแล้วเอาเรื่องทานมานั่งนั่งวิจัยวิจัยจนเข้าใจเรื่องทา น, เ, นเสร็จเดินเลยกล้าเดินแลือแปลให้จนจนเรานีอหละกล้ารับพ้าเป็นพั น, เ ป, นเป็นหมื่นจะรับเลยมันเป็นยิงย่งจิงแต่ถ้าคนไม่กล้านี่ไม่กล้าเลยนะจริงไม่ยอมบางน ้องกล้าทำเลยได้แต่ต้องศึกษาก่อนอย่าไปทำแบบประเภทที่ไม่ไม่มีข้อมูลนี่ตรงนี้ลักษณะเนยยี้ยตอนนั้นพระพุทธศาสนาทำกระเทาสกกายอยู่ไม่ได้แล้วต้องลงทุนลงมามาสมัครเป็นช่างแล้วในส่วนจริงก็ในยุคนั้นเนี่ยลองคิดดูมีภิกษูบรรลุแสนโกดแสนโกดยังไม่มีเราอยู่ด้วยเลย น, น่าเจ็บใจ มันแย่แต่ว่าเราแย่มากใช่ไหโอ้โหเขาบรรูุกันลืมลำลืมลำแค่นขนาดนั้นนะ่ะคือไม่ในยุคศาสนาพระเจ้าบางบางองค์เนี่ยไม่มีเดรัจฉีมาแทรกเลยขนาดนั้นเลยนะตอนที่พระบรมศาสดา แ, แสดงธรรมจักรกัะบวัชนสูตรเนี่ยตอนที่แสดงนี่นะโดยเฉพาะบอกอัญญาสิวัฏโพกนันโยอัญญาสิวัฏโพกนันโยจิตเสียงที่อุทานเนี่ย ดังไปเป็นหมุ่นจักรวาลเทวดาเนี่ยแท้ซ้องสารเสริญกันลั่นหมดแล้วพระธจ้าเวลาแสดงธรรมเนี่ยบางครั้งนี่แสดงยันเป็นพระสุรเสียงพระธิดาเนี่ยไปยันแสนโลกกระทนี่พระธรรมพระธิดาขนาดนั้นนี่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากใช่ไหมขนาดพอพูดไปเนี่ยพระนนทีอุทานร้องไห้เลยพระสุรเสียงพระธจ้าในขนาดนั้น จะบอกเป็นบุญของข้าพระเจ้าแล้วที่ข้าพระองค์ได้เกิดมาเป็นผู้ท้อุปถาของพระพุทธเจ้าเป็นบุญของข้าพระองค์แล้วที่ได้เดินรอบพุทธิพุทธเจ้าวันละสิบเก้ารอบเป็นบุญของข้าพระองค์แล้วที่ข้าพระองค์ได้อุปถาได้ตั้งน้ำดื่มน้ําฉันน้ำใช้กับผู้มีพระคุณนั้นประเสริฐขนาดนี้ผู้มีพระบารมีเหลือล้อนขนาดนี้ขนาดนั้นเลย น, ะนั่นจะเราศึกษาคุณของพระเจ้าเลยละเอียด บุญนักแล้วยอมมงคลได้เดโอกาสไปศึกษาพระธรรมของพระเจ้าใช่ไหมตายไปมันได้เครื่องชื่นใจได้ที่พึ่งได้สนาณะได้ที่หวังได้ความภูมิใจไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับพระธรรมคำสอนพระเจ้าใช่ไหมนี่เราได้โอกาสแล้วถึงยังแทงตลอดไม่ได้เราก็ได้ปลูกอัตยาริยะใะตั้งอัจฉรายะใไว้ในพระธรรมคำสอนแล้วฉะนั้นกรณีบุคคนที่เป็น สมาธิหรือเป็นอุบาศกอุบาศิกาในพระศาสนาเวลาจะไปอยู่หน้าที่ไหนให้เธอจะมั่นคงในพระธรรมคำสอนนันรู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมแล้วก็มีความมดทนแล้วก็ไม่ไม่วู่วาไม่เครียดกั้แก้ปัญหาด้วยสติและสัมปชัญญะแล้วก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไดท้ที่ทุกที่จะเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาให้สังเกตดูนะ โดยเฉพาะนางวิสาขาหาวัสิกาและใครก็แล้วแต่ขนาดอยู่กับวิชาที่ตีเนี่ยก็เอาตัวรอดนะแล้วก็ในที่สุดจริงๆก็ทําให้บุคคลเหล่านั้นน้อมนับถือความสามารถของของเราอาจจะไม่ถึงนั้นแต่อัตฉริยะสายที่ตั้งไว้ตรงเนี้ในบุพารามบุปผารามนี้เป็นอารามที่นางวิสาขาทรงสร้างถวายพระพุทธเจ้าภิกษุสงฆ์อยู่นะเป็นสร้างเวนคารสองชั้นชั้นละห้าร้อยห้อง น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเจ็ดชั้นที่สองชั้นไม่แน่ใจน่าจะสองชั้นชั้นละห้าร้อยห้องก็เป็นพันปัจจุบันก็ก็มีคนไทยไปสร้างนะ่ยเขาหาก็นล้เดินตําแหน่งวัดปุการาลาก็เลยสันนิษฐานว่าที่ ท, ที่มีคนไทยไปสร้างพระพุทธรูปใหญ่ๆเป็นปุกาลาหาไม่เจอหาซากไม่เจอหาซากวัดไม่เจอซึ่งวัดนี้พระเจ้าเคยไปประทับจำํำภาษาหกภาษาในสาวถีนี่ทรงประทับจำภาษายี่ห้า ที่วัดเชตะวันว 19, สิบเก้าพรรษาปุภาลมเจ้าหกที่ปุภาลามนี่แหละที่นางถอดเครื่องประดับใช่ไหมแล้วก็ประมูลขายเครื่องประดับเพื่อจะสร้างตอนนั้นที่ไปลืมไว้ที่วัดที่ป้านอนเก็บนี้ก็ไม่มีใครซื้อเพราะราคาแพงก็เลยซื้อเองก็เพราะน้นที่ซื้อแล้วมาสร้างวัดเนี่ยสร้างวัดถวาย ทา้าสกาจอมเทพกับเบป้าพระบระมศาสดาถึงที่ประทับถวายอาภิวาสแล้วยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งยืนเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระบระมศาสดาบอกว่าถามว่าทําไมเทวดาไปเฟ้างพระเจ้าแล้วทำไมยังยืนทําไมจึงไม่นั่งใครจะตอบปัญหานี้ได้ทำไมเทวดาจึงไม่นั่งเวลาไปเฟ้าพระเจ้าอ้าวาใครที่เรียนเรียนฟังพระไตรปิฎกมามากๆเลยท้าวตอบได้ไหมทำไมทั้งยืนทําไมไม่นั่ง ก็ใครตอบได้ไเนี่ยเพราะจริงๆเทวดาทุกสุดเราลองไปดูในเทวตาสังยุตในในสังยุตในิการสกาทวากีเทวดายือกข้างยืนเนี่ยยืนตลอดแหละไม่มีเทวดามานั่งฟังธรรมยืนฟังธรรมนี่ไงที่ปัญหาที่โยมสมานองศุถามอาจารย์ถามมาว่ายืนมีถือว่าเคารพไหมเทวดาเนี่ยยืนฟังธรรมใช่ยืนฟังธรรมมันถือว่าเป็นการเคารพด้วยนะครับโต๊ะที่ย่านั่งเทวดายืนฟังนั่นแหละคือการเคารพ เทวด <ผม S 1> ามายืนเนี่ยในยะหนึ่งก็คือเทวดาท่านจะต้องรีบกลับท่านจะไม่ค่อยอยู่นานฟังธรรมเสร็จก็จะรีบกลับเพราะว่าในมนุษย์นี่เขาไม่อยากไม่มามามเหยีด <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ก็เขาได้อุปมาคือว่าคือห่างร้อยยอดเนี่ยกลิ่นสาบสารของมนุษย์ก็ถึงแล้วเหมือนกับเอาซากสุนัขเน่าไปปลูกคอเขาเขาอิดหนาละอาใจาฉะนั้นที่บอก นางงามจักรวาลในในประเทศเนี่ยก็ดีในโลกของมนุษย์ก็ดีนี่ยก็คือลิงแ ก, แก่ตัวหนึ่งในเทวปูนถ้าเทียบอย่างนั้นยินดีก็นางชนะประธานางชนระบดกัลยาณีในชะ่ไหมนางเนี้ยเป็นคนที่มีความงามห้าประการค้าเบญจ ก, กัลยาณีปันงามผมงามผิวงามวัยงามเนือเน้องาม เป็นคนที่งามกิริยามันยากก็งามมากคืองามจนถ้าคนมองแล้วบางคนเนี่ยถ้างามประเภทเป็นจากกิริยานี้เนี่ยบางคนมองมองแล้วบางทีแทบลืมหายใจอะ่ะแต่ถ้าไปอยู่ในเทวเที่ยวไปในเทวดาที่คนลนะเรื่องเลยถ้านุรุธะตอนนั้นขึ้นไปดูกับพระริยาเนี่ยเห็นอดีตแฟนตัวเองเนี่ยเป็นลิงแก่ตัวหนึ่งแล้วเขาหันหัน างกุดด้วยเนนั่งอยู่บนตอที่ไฟไหม้ต้องคิดดยจริงคนละมุงเลยใช่ไหมเพราะในนั้นมันเต็มไปได้วยของเวสะอาดมีวัการะต่างๆเต็มด้วยผมขนเล็บฟันหนังนช่ไนั้นถ้าหากว่าเทวดาเนี่ยต้องยอมรับว่าท่านงามผิวท่านมีแสงสวา่างมีความงามใช่ไมไม่มีกลิ่เนเหม็นเน่พราะท่านไม่ได้บริโภคของ